อะไรเขาเรียกว่าเราไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไปถึงการบางทีทั้งรู้กาเอาอยากจะขลังนึกเขาไม่อยากจะตายง่ายๆโดยใ้หมอบอกเนี่ยสักแล้วเนี่ยฟันไม่เข้าแล้วยิ่งไม่ออกล่ะเนี่ยทํำทีทีท่ใส่ยาสากอิทิลิฟอิทิเดนให้ดูเลยไอเราก็หลงงม ง, งายเชื่อผลที่สุดไอตัวลายทั้งตัวนั้นก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยเพราะไอความหลงงม ง, ง, ง, งายของคนลราที่เดืเข้าไปยึดถือ แต่สิ่งที่เป็นสาระของธรรมะหรือคําสอนน่ะไม่ค่อยจะสนใจกันก็ยังบอกหลวงวรวานนี่เลยว่าคนสมัยนี้เขาบอกว่าธรรมะเนี่ยเหมาะสมสำหรับคนที่มีเหงือกแต่คนที่ขนมคนตาเนี่ไม่เหมาะสมหรอกนะเหมาะสมแต่คนมีเหงือกเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคนที่มีเหงือกเข้ามามาอ่ามาฝึกขัดหรือมามารู้จักธรรมะมันก็บทโอกาสจะไปไปใช้งานได้ พอมาฝึกไม่ทลายเดี๋ยวไปเสร็จแล้วพอเหนือกไม่เหนือกมาเลยตั้งเหือกแล้วอ่ะจะไปไหนไหวอ่ะไอ้ที่จริงแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องฝึกกันตั้งแต่อ่าจิตมีสติเสร็จแล้วจะเห็นคนอ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมเข็นฟังเทศนะหรือไม่ก็พาไปตักบาตรไหวพระเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นศีลธรรมแก่จิตเด็กคนนั้น แล้วจิตของเด็กคนนั้นก็จะได้เพื่อกูณพิสุปสา ม, มนเณนหรืศาสนาขึ้นเพื่อจะได้สืบท อ, อดส่วไปแต่สมัยนี้ไม่ละหาเด็กไปโน่นไปลงหนังโน่นหาพัทยาบางแสนหัวหินไปทัวกันประเทศโน่นไปทัวกันประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าสินรรทำที่ที่พาไปให้เด็กนี่นมันควจะดีที่ไหนได้เด็กยิ่งใจแตกใหญ่เลยยิ่งล้างฐานพ่อแม่ใหญ่ก็เพราะว่าเราพาไปในสิ่งที่ไม่ถูก ดังนี้ไอ้มากน้อยสันโดษความประหยัดต่างๆเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดมีขึ้นในจิตของเด็กคนนั้นที่จเจริญเติบขึ้นมาเราเรียกกันว่าอายาวชนทั้งหลายนี่ก็นี่ก็คนจะอยู่ในในสาขาของจิตเราที่คนรจะมีความรู้เพราะเราเป็น ผ, นผู้เป็นผู้แทนขององค์พระควตแต่ว่าผู้จําแนกแจกธรรมก็คนจะจําแนกธรรมถูกหลักไม่ใช่ว่าพระสมัยนี้เดินทุ ด, ดงไปแต่พายยามตรงไปเลยไม่ใช่มีอะไรนะกระตูดมั่งพา ย, ยานนั่ง สีพึ่งมังไอรักไอ ย, ยมนั่งไปปากโกดที่ไหนแสดงถึงว่าภูเป็นผู้แข่งคัดอยู่ในป่าในป่าช้าเป็นต้นอะไรอย่างนั้นถือผ้าไกลเสริมถือแสดงว่าเป็นผู้แข่งคัดแต่พอมือดลงกับภูผ้ผขาขาและเอารวงออกมาสิญาโยมคนนับถือในพระสุดดงนี่เป็นพระผู้มีศีลบริสุทธิ์พระสะอาดบริสุทธิ์กิแหกหูแหกตาขึ้มาละนะอยากจะมานมัสการพระสุดดงที่ไหนได้มาเจออัปเดตต้งให้แต่นี้คนที่ก็มีความรู้ความ เข้าใจดีเขาบอกนี่มันไม่ใช่พระนี่มันเปรตนี่มาหลอกลวงเขาเนี่ยเนี่ยแต่นี้ไอ้คนไม่รู้จักเปรตมันก็ไหว้เปรตกันเพลินไปเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้และความเข้าใจด้วยอย่าไปใช้ในนิสัยต่างๆเหล่านั้นนั่นมันเป็นลักษณะของคนที่ยังโลภอยู่ในอารมณ์นีนยังโลภอยู่ในตัวกธรทำเราเป็นผู้จำแนกของอาผู้จำแนกธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปฝืนธรรมะให้เกิดให้เกิดเป็นโทษ เราต้องนึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วต้องตายไม่ช้าก็ต้องตายเราจะตายวันไหนเดือนไหนปีไหนหนาทีไหนในขณะที่เราเดินไปนี่ก็ดีหรืออยู่ที่วัดก็ดีเราก็ต้องตายดังนั้นก่อนที่เราจะตายในคนจะทรงสัจจะความจริงใจของแนวทางหรือธรรมะเขาไว้ก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่าไปเชี่ยวหลอกลวงเขานะอ่าขอเตือนเข้าไว้สําหรับผู้ที่จะเป็นผู้ที่เรียกว่าตัวแทนขององค์พระวาไม่ว่าจะเป็นพระเป็นสามเณรเป็นแม่ชีหรือญาติโยมทั้งนั้นแหละ แต่ละทุกคนได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนสืบศาสนากันแ้่คนจะสืบศาสนากันแบบผู้รู้จักแนวทางรู้จักสัจจะอย่าไปเอาไอ้สิ่งต่างๆไปหลอกไปลวเป็น ม, ย า, มายาอมวานี่เห็นไหมละ่ะ<ม>เด็กเข้ามาทําพิธีการให้เราดูว่าบุคคลผู้มาเขาฟื้นปฏิบัติแบบหลอกล่อไม่จริงจังแล้วมันจะเป็นเศษเหล็กแบบนั้นหูตาไม่สํารวมเห็นไหมละ่ะเขาทำให้ดูนะ่ะมือไม้ทําสมาธิจริงแต่ตาเป็นยังไงละ่ะ นะหูเป็นยังไงตาเป็นยังไงชะมดชะม้อยทาลีลาอย่างไงมายาไหมนี่แหละคนที่ไม่เข้าใจแนวแนวทางธรรมะเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะใส่ใจให้ดีนะอย่าไปปฏิบัติทำมายาแบบนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเศษเหล็กนะคือไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยในการที่ทํากับศาสนาสักครั้งหนึ่งหรือจะทําความดีกับเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ก็ทําด้วยมายาไม่ใช่ทาด้วยสัจจะของจิตใจที่แท้จริง แเราก็นี่ก็โลกุตตะระเขาก็ให้ให้สติเราไปค้นคว้าบุคคลที่ยังหลงผิดอีกมากมายอีกเหมือนกันรู้แล้วถ้าเราเห็นเรารู้แล้วถ้าเตือนได้ควรเตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็อย่าไปเตือนเพราะคนสมัยนี้มันมีมานะทิฏฐิอาจจะถือทีท่ิศว่ากูทําถูกมึงมาเตือนกูทําไมมึงมาว่ากูนะอาจจะมีเรื่องมีราวทะเลาะบอกแหวนก่อนได้แล้วก็ต้องอยู่ในลักษณะว่าพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรในสิ่งที่จะเเตือนขาไป ถ้าเตือนแล้วเตือนได้ก็ควรจะเตือนถ้าเตือนไม่ได้ก็ไม่ต้องเตือนเหมือนอย่างพระเจ้าท่านเลือกโตรคนอย่างเงี้ยคนไหนโตรดได้กับโตรคนไหน โ, รโนตนนโ ร, ด ไ, ด ร, ไ, ไ, โรไม่ได้กับปล่อยไปน่ะหลักคนที่ท่านโตรได้นี่คนนั้นเขาก็ได้ดีไปเองคนที่โตรไม่ได้กับปล่อยไปตามเวนตาม ก, กรรมก่อนจากวันหนึ่งเขาคงจะกลับเนื้อกลับตัวได้มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่เดือดหัวหลากรึกแลเป็นทิิ 4, เป็นรานชาทิิ 4, สับปล่อยไปนั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่ในวิสัยของจิตที่เราจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าเห็นคนกับโตรไปหมด ไม่ว่าจะคนจะมีทิศผิดน้าทิศิบ้างหรือจะไงก็จะเอาโปรดกันไปหมดมันก็จะเกิดอาการหมาดหมางใจซึ่งอาจจะทําให้อารมณ์ที่สอนเล้นที่เรากำลังจะทําให้มันสงบนี่มันจะพุดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจไอ้นี่ไม่ฟังธรรมะไอ้นี่ยังหลงงมงายอย่างนั้นอาจจะสัตย์เพอขึ้นมาในจิตหรือไม่ทนไม่ไหวในะจี่ก็อาจจะพะลวดออกมาทางว า, าจาก็ทําให้เกิดปการขัดแยง้งนะเราก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆ ด, ด้วย ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เดียวกว่ามี จ, จิตใจอยู่ในธรรมะหรือสัจจะที่เยือกเย็นแต่จะไปมั่ววามไม่ได้ในการโลดหรือการบอกเล่าอะไรต่ออะไรกับบุคคลต่างๆที่เขาเรียกว่าเครือกูลธรรมะอย่างเนี้ยบูถึงสิ่งนี้แล้วมันแหมมันมีเยอะเหลือเกินน ะ, ส, ะสัจตุงของเรานะไม่ชีหรือว่าญาติโยก็คงไปเห็นแล้วนะไ อ, ไอ้ไอ้เรื่องที่พาไปหาพาไปยึดถือเนี่ย ตจนที่เรียกว่าดูสิทางฟ้านะั่นนะเต็มไปหมดเลยในเครื่องถ่ายยานรูปเกสิอาบนทิ้งก็เต็มไปหมดเลยรูปลอรูปเกสิหรือรูปพระพุทธรูปอะไรต่ออะไรมากมายากายพร้อมแม้กระทั่งในต้นในตัวโอโ้โหแม้กระทั่งประตูที่จะเข้าก็มีอะไรห้อยกันอยู่การผีการสางการในนัน ไ, ไอ้นีเน่เรียกว่าอนาบริเวณนี้ไม่มีเลยไอเสียงร้างของทางเนี่ยที่จะคลาดไม่มีแม้ทั่งประตูที่จะย่างเข้าไป จะเปิดอะไรขึ้นมาก็ต้องมีการแจกการเจมิมนิมนต์เกสีองค์นั้นไปเจิมให้เป็นมงคลอย่างนี้อย่างนั้นคิดแล้วว่าถูก น, ะนั่นแหละความโง่ทั้งนั้นอย่าคิดว่าคนนั้นทำถูกทั้งคนทำและคนที่นิมนต์ไปทาก็ไม่ถูกทุกคนมันไม่ใช่ของจริงแต่เอาไปทำให้มันเป็นของจริง <Yeah. S 1> คิดว่าเป็นสิ่งมงคลแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งมงคลมันอาจจะทาให เกิดเป็นอัปมงคลแะไเพราะอะไรเพราะจิตใจเราไม่ได้ถูกเจิมด้วยธรรมะ <_ S 1> จิตใจมันถูกเจิอ่าอตาแล้วมันถูกเจิมด้วยแป้งบนน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยจุ๊บจิ๊บจุ๊บ๊บจุ๊๊บเปรูปนั้นรูปนะนี่แหมแล้วก็มองดูโหสวยจ้านี่เก่งจังเลยไหนทั้งเคร่งท่านมีพลังจิตสูงอย่างเงี้ยแหมไล่ไหวกันใหญ่นะหรือว่ายิงไหวชาแกเท่านุ่มสาวไหวกันใหญ่เลยว่าพระองค์นี้มีพลังจิตสูงแต่ท่าไหนได้ พลังสี่สองเท่านี้กําลังจะดิ่งลงนรกอย่างขนาดหนักเพราะเพราะว่าไม่ดูอารมณ์ไม่ดูตัวกระทําเป็นที่พึ่งเลยมันเป็นอย่างนั้นนะระวังระวังนะผู้ที่ถูก่าผู้ที่อบรมอธรรมะหรือว่ากําลังจะทํำฟังเข้าใจกับธรรมะหรือคําสอนนะพิจนารณาให้มีเหตุผลสักนิดหนึ่งนะที่ลุงอาผููดไปควรจะลบล้างเครื่องพันธนาการออกจากจิตทำไมพระเจ้าบอกว่าเอโกจิตเนี่ยเป็นจิตที่ดีที่สุด ไม่ใช่ว่าจิตที่มีอะไรต่อมีอะไรมาเกิดยันมาดีที่สุดนะเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องทำฟังเข้าใจกับประธานทางก็ถึงบอกว่าจาไว้เ ล, เลยว่ายังไงยังไงอย่าลืมประธานทำประธานของธรรมเขาทำไว้ยังไงนะทําไม่ไปเถอะถึงจะทําไม่ถึงแต่ก็เราก็เรียบเทียนอยู่ในเสียงของธรรมแล้วเขาเรียกว่าเดินอยู่ในธรรมเที่ยง วันหนึ่งบันไดมันก็คงจะถึงเองก็ขอยาให้เป็นหลีบเลี่ยงทำเที่ยงที่เรารู้และเข้าใจนะไม่จําเป็นว่าทาเราฟังแล้วจะต้องเดินให้ถึงเลยทําให้ถึงเลยนะั้นมันเป็นอุปนิสัยของจิตอีกทีหนึง่งจะไปได้หรือไม่ได้แต่ว่าขณะขณะที่มีชีวิตยอยู่เนี่ยพยายามทำให้เที่ยงนะไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงกะควรจะหลีกเลี่ยงออกไปควรจะผลักมันออกไปซะนะทำไมพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นหนึ่งจะเป็นจิตมีสุข จิตที่ไม่มีอะไรมากกบัวเนี่ยมันจิตมีสุขแต่จิตที่มันมีอะไรต่อแล้วมาบวรบกลัวเนี่ยมันมีสุขไม่เล่าอไอความเป็นห่วงเป็นใยของคนเราเนี่ยมันมากมายกายกองประเพณีนี่ก็สําคัญประเพณีที่ควรจะถนอมไว้ก็มีไอประเพณีที่ควรจะอควรจะลบล้างแล้วก็อย่าไปทํำมันก็มีเช่นเวลาจะบวชหน้าก็เดิมหมาต้องเอาหมูมาฆ่าเอาปลามาฆ่าเอาเป็ดมาฆ่าเอางว ม, มาฆ่ากัน อ, อ, อย่างเงี้ย มันเป็นประเพณีที่ผิดเหมือนกันมันเป็นประเพณีที่เบียดเบียนให้เดือดร้อนซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสบายได้ทําอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสั่งบวชเฉยๆเงียบๆแต่เราไม่ฮะจะเหนือหน้าพระพุทธเจ้าเราจะต้องมีลิเกมีละครมีหนังเชื้อเชื้อเชิญคนเข้ามาเป็นรีมมาเมากทลายแหมจะพาวิญญาบ้านมากแค่นั้นอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นประเพณีที่ผิดถือทํากันมาเขาเรียกว่ามานะทิฐิอีกเหมือนกันกลายเป็นวิจฉาทิฐิ สิ่งต่างๆแล้วนี้ก็มีเกินการในประเทศไทยนะครับว่ า, า, าบวชกันขึ้นหรืออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมีมากมายเราไปดูไปทำความเข้าใจกันเองนะอย่าให้ทุก ง, งานนี่จะจละในเอาไว้เลยคว า, า, า, ามเห็นสิ่งของจิตที่ประยุทธ์ถือเนี่ยบางคนนี่แหมเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยนั่งลงปราบประตูซะก่อนแล้วเคารพเพราะว่าเทศมันะติอยู่ที่ประตูบ้านต้องกราบ เอาพอไปถึงกันไดเอากราบหรือแล้วกราบเทศศิษฐ์ิษย์อยู่ที่กันไดอีกเอาขึ้นบนบ้านพอจะท้าประตูบ้าเอากราบอิศราผีพ่อผีแม่ <c oughs> <c oughs> แะอะไรตออะอุยมันยุ่งไปหมดเลยเชา้าก็มาต้องตื่นตั้งดึกจัดอาหารถวายไอ้รับไอ้โยมบ้างจะพอคนนั้นจะแม่คนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สานพระภูมโอ้โหน้ำน้ำนี่จัดกันไม่ไหวเลูกไปหลายเกิดบางทีมันกล็ลำคลายไปเรี่อยก็เป็นยกสําหรับ <c oughs> เอาพูดแล้ว มันก็น่าน่าจะขำๆดีนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องความวุ่นวายที่อมมารมณ์มันกุ้มแต่งจิตเนี่ยจนจิดแม่มันลำคาญถ้ารู้แล้ ว, ลวเข้าใจเลยเราคิด ว, ว, ว่าโหกูนี่งโง่จริงๆเลยเนี่ยถ้าเรายังไม่คิดว่าอถ้าเรายังไม่รู้ทางทางก็คิดว่าเป็นมงคลแต่แท้จริงมันลำคาญจะตายไปเนี่ยยังเคยเคยได้ยินเด็กๆมันบผลที่พ่อแม่ใช้ให้ยกไอ้เครื่องเ้นทั้งเบยไเนี่ยมันลำคามนมาบางทีมันหนีไปนอนบ้านอื่นบางทีเกีย่ตื่นขึ้นมายก ไอ้เครื่องเส่นเซ่นเป็นวอร์้บานจะพอเจ้าแม่เนี่ยเป็นต้นฉบับดีนักล่ะยิ่งยิ่งยิ่งยิงพระยิ่งหน้าเกลียดพระไปเป็นคนตรงเนีหน้าเกลียดใหญ่ะไปทรงผีทรงสามอุปโลกอุปโภคไหมอะไรกันยุ่งไปหมดเดินทุดดงก็ขอมันมีบาศก์สดมีแต่ธรรมะเท่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องเอาอะไรใส่ยาบไปเหมือนเขาหรอกไม่ต้องกลัวอดตายไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มากราบมาไหวอะไรหรอก เขาเห็นปักหลงนี่เขาก็ศรัทธาแล้วเห็นผ้าเหลืองปลิวมานี่เขาก็ศรัทธาแล้วไม่ต้องเอาไอ้ลักไอ้ยมเอากระตุ่นเอาผ้ายานันติพึ่งที่พังอะไรไปจ่ายไปแจกเขาเแี่ย <Yeah. S 1> มันจะทําให้เราเสียนิสัยด้วยแล้วก็ทําคนอื่นก็เสียนิสัยด้วยไอ้เราก็ผิดเขาก็ผิดมันก็ผิดไปทั้งทั้งคู่แล้วก็ไอ้ความโง่ของเราเป็นต้นเหตุเอาการกองก็พักนะก็เดี๋ยวนึง ฟังฟ้าผ่ามาพอลังวนแล้วการกะบาจใจมันก็เรียกว่าหางแถวแต่ต้นต้นที่แท้จริงเขาเรียกว่าจิตจะเหนือกรรมหรือจะเป็นท่าของกรรมขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตดีก็เหนือกรรมได้พ้นกรรมได้ถ้าจิตไม่ดีก็ตกเป็นท่าของกรรมมั้ก็เรียกว่าสีฟ้าท่าของกรรม ตอนนี้สิ่งที่จะส่งกระแสสายออกมาให้เป็นลักษณะกรรมนั้นก็คือตาเราอย่างหนึ่งตากระทบลูกนี่หูได้ยินเสียงจมูกได้คลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสอารมณ์ตรงแต่งจิตนั่นแหละเขาเรียกว่าที่มาของกรรมตอนนี้ที่เขามาแล้วนี่ถ้าเราไม่หลบหลีกก็ตกเป็นท่าต่อไปตามวิสัยเป็นความยึดถือที่เรียกว่าลุ้เท่าหมายถึงการนั่นก็เป็นลักษณะอ๋ะอใจได้เนื้อความนะ อย่าไม่ฟังอีกนิดนึงทุกคนนะนะไม่ไม่จําเป็นเฉพาะชีวันนานะทุกคนเนะนี่ยสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าท่าของกรรมท่าของกรรมนั้นนะ่ะคืออะไรคือกายวายจาและจิตสิ่งที่มาจะทําให้เกิดกรรมนั่นก็คืออะไรคือวิญญาณทั้งหกที่จะไหลามาเท ม, มาให้เรามายึดถือหรือเราจะผลักหรือเราจะละกันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตนะ่ะตาเห็นรูป โอ้โหได้ยินเสียงจะโบกได้กิ่นลิ้นได้แล้วกายได้สัมผัสอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตจะปรุงแต่งได้หรือไม่ได้จะจะเข้ามาพักพาอาศัยได้หรือไม่ได้หรือจะได้ขึ้นอยู่กับจิตถ้าจิตยอมรับทุกอย่างก็ยอมรับไปหมดถ้าจิตไม่ยอมรับทุกอย่างก็ไม่ยอมรับเช่นจิตปฏิเสธอารมณ์กายก็ปฏิเสธวาจาก็ปฏิเสธหูตาจมูกลิ้นกายนี่มันก็ปฏิเสธไปทั้งหมดเลย แต่ถ้าจิตไม่ปฏิเสธก็ต้องตกเป็นธาตุทั้งหมดเลยเ้าเรียกว่าตกเป็นเฉลยขาจายนะธาตุของการสีฟ้าเนี่ย ท, ที่ที่น้องอาพูดให้ฟังว่าภาพแสงสีเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาทําความเข้าใจไม่ใช่ว่าเห็นแต่สีแล้วก็พอใจในสีเห็นแต่ยินเสียงแล้วก็พอใจในเสียงเห็นภาพพอใจในภาพยังไม่พอ เราจะต้องศึกษาภาพแสงสีเสียงต่งตางเหล่านั้นให้มีเหตุมีผลและมีความเข้าใจในลักษณะอย่างนั้นด้วยจึงจะถูกว่าอจึงจะเข้าใจในคําว่าสัจจะของธรรมะ ท, ท, ที่มีอยู่ในตนอะไรอย่างนี้จาได้นะทั้งพระสรร ม, มเณรแม่ชีญาติโยมนะเอาใครจะหนีกรรมหรือไมห่หนีกรรมใครจะชนะหรือไม่ชนะใครจะตกเป็นทาสหรื อ, ห ร, อหรือจะเป็นผู้มีอิสระเขาอยู่กันตรงนี้แหละอยู่ที่จิต แต่จิตเราดนะีรู้จักปฏิเสธอารมณ์อย่าไปคิดว่าอารมณ์เนี่ยใครไม่รู้ไปเห็นนะสมมติว่าเราไปนั่งอยู่คนเดียวในป่าเนไปลอ้อไปเลียนไปเล่นหัวอยู่กับอารมณ์เนี่ยคิดว่ามันใครไม่รู้ไม่เห็นแต่นะ่ะเรากําลังผจญกับอารมณ์กําลังจะเล่นกับอารมณ์กำลังจะลอ้อเรียนกําลังจะทํากับเรื่องอารมณ์แล้วมันจะกลายมาเป็นตัวการทำขึ้นถ้าเราหัดไปปฏิเสธอารมณ์ที่เรียกว่าใช้วิถีทางที่สงบส ง, งัด พิจนาอารมณ์หัดลดละอารมณ์หัดศึกษาพิจานาอารมณ์เราจะเข้าใจในอารมณ์เหล่านั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าไอ้ผลพลอยได้ข้างนอกคือเขากำลังมองเราอยู่อยู่เช่นกายก็ดีวาจาก็ดีนะตาหูจมูกลิ้นอะไรพวกนี้หรือเทวดาอินพรมนระกสัตว์พระริจาร์นายกำลังมองเราดูเนี่ยเขาจะอนุโมทนาถ้าผู้นั้นเอาชนะอารมณ์ได้ถ้าผู้นั้นเอาชนะอารมณ์ไม่ได้เนี่ยเขาก็นิ่งเฉยคือเขาก็จะไปสาธุ ก, การเขาไม่ได้ บางทีเขาก็บปรงสังเวชในบุคคลที่แพต่ออารมณ์ที่จะต้องตกเป็นทาตของอารมณ์เขาถึงเรียกว่าทาสีธาตศาจริตที่อยู่ในหญิงไม่ชายนั้นถ้ารู้เท่าทาันอารมณ์ก็ชนะอารมณ์ได้แต่ถ้าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ก็ตกเป็นทาตของอารมณ์ไปเหมือนวิสัยที่เราตกกันเป็นทาต อ, อารมณ์กันมาเรื่อยๆนานนี่ก็รู้ไว้นะ เพราะนั้นอะไรที่มันมาปรุงแต่งให้จิตของเราทะเยอทยานไปในมุมไหนอยากมีลาบมียศมีสรรเสริมมีคนล่าําลือชื่อเสียงอะไรพวกนี้ระวังระวยให้ดีเนี่ยมันจะพาให้เราไปเสียชื่อได้ชื่อว่าไม่รู้จักหรือว่ารู้เท่าทันอารมณ์เ <Yeah. S 1> พราะเราเดินอยู่ในทางหลุดพ้นแล้วเราควรจะปฏิเสธอารมณ์ขึ้น <Yeah. S 1> ในข้อที่สาม ข้อที่สามนี่เอาไว้กันคืนเพราะ ม, ามันยาวมากคุณเกินไม่มีเวลาที่จะอธิบายหรือเวลาอาจจะไม่พอความหมายสองสาอย่างแต่ว่ามันมันไปไกลมากเอาไว้กันคืนนะอันนี้จะเอากันอธิบายทางสั้นๆพอเข้าใจเพราะว่าอธิบายกันมาหลายฉบับอาจจะทมให้เราสัทบสนจะไม่ถูกต้องเอาข้อที่สี่กันง่าย หนูยืนหลับตายเห็นรูปผู้หญิงใส่ชุดสีดําทั้งชุดหมายถึงอะไรความไม่รู้ของกายวายจาอารมณ์ะดําทั้งชุดผู้คนไหนยังไม่รู้จัดกายของตนยังไปยึดถืออยู่ในกายยังไปยึดถืออยู่ในวาจายังไปยึดถืออยู่ในอารมณ์ความโลภโกรธหลงแล้วเนะี่ยดทั้งชุดจําไว้ยังไม่เคยขาวยังไม่เคยติดเหมือนกับอ เหมือนกับพระอ ะ, ระจารย์ผูกราหูมันอมเต็มดวงเง น, นะมันไม่มีแสงโฉออกมาให้เห็นเลยนั่นเขาเรียกว่าดำทั้งชุดจำไว้ถ้าอยากจะขาวก็เขาขึ้นมาก็หัดลงกายวาจาอารมณ์จะได้มีแสงขึ้นถ้ายังไม่มีจิตใจที่จะมาปรงเรื่องกายเรื่องวาจารเรื่องอมมารมณ์นิสัยที่ใช้กันอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าดำทั้งชุด คือจะไปหาความรู้หรือความเข้าใจในกายสักนิดมันก็ไม่มีความเข้าใจในวาจา ก, ก็ไม่มีความเข้าใจในอารมณ์ก็ไม่มีเนี่ยนี่ยเขาเรียกว่าดำทั้งชุด น, นะจําเข้าไวะะ้พระสังสีสัมเ น, นมรสญาติโยมจากจะขาวน่ยคือทำไมต้องเรียกว่าสิ่งที่ดำมันก็จะขาวไอ้สิ่งที่ยาวมันก็จะสั้นไอ้สิ่งยาวนี่หมายความว่าจะเกิดไปเรื่อยๆเหมืนกลลัลดลงมาลดลงมาอ่ะสมมุติว่าอย่างเราเนี่ยมมาปฏิบัติธรรมัมนมาฟังธรรมเนี่ย ไม่รู้จักเรื่องของกายเรื่องวาจาอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็ใช้กับเรื่องกายวาจาอารมณ์ก็ตหลุดไปเลยไม่ว่าจะโลภกว่าดีเกาก็ดีหลงก็ดีผิดก็เอาถูกก็เอาอะไรเนี่ยดีก็เอาชั่วก็เอามันก็ว่ากันไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ายาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยทุกวันเกิดขึ้นมามีแต่สร้างกรรมทุกนาทีทุกชั่วโมงเกิดขึ้นมามีแต่สร้างกรรมอันนี้เดือนหนึ่งนี้ไม่ไม่ละเว้นที่จะสร้างกรรมเลยะไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ไอ้กรรมที่ทําอยู่แ้่มันเป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วผัพัพนธุ์อยู่ในโลกอย่างเนี้ยแต่นี่ไอ้กรรมที่ทําจะทําให้เราอทําที่จะทําให้เราพ้นโลกคือเรว่าประพฤติธรรมในการลดละนิสัยของอารมณ์ที่พาดพิงมาสู่จิตนี้ไม่มีเลยไม่ใช่ว่าทําดีอยู่ทางโลกแล้วมันจะมันจะมันจะสั้นนะไม่สั้นหรอกสมมุติว่าคนสร้างบุญเนี่ยชีวิต อ, อายุสั้นไหมออ่อออายุน่าจะยาวนานเอ้ หรือว่าจะเกิดไปอีกนานันนานคนที่สร้างบุญน่ะไม่มีสิ้นสุดแล้วอรอบเวียนบ้านไปตามลักษณะของบุญเขาสิเป็นเทวดาอินพรหมเป็นมนุษย์ที่ดีอยู่อย่างนั้นแหละมันมีสิ้น ส, สุดสําสหรับความดีของบุญสําหรับความสําหรับความชั่ ว, วะความชั่วก็มีสิ้น ส, สุดอีกเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตวกนรกเกิดเป็นสัตวกนรกอยู่อย่างนั้นแหล ะ, ะสําหรับบุคคลที่เรียกทำานทำดีทำชั่วอยู่ในโลกทีนนี้ลักษณะที่เราจะทําให้ชีวิตเราสั้น ที่เรียกว่าเกิดได้น้อยหน่อยอะไรอย่างเี้นะก็ต้องลดละอารมณ์โลภโกรดหลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญซึ่งเราเรียกกัว่าน า, น, น, า น, นานนานปีหรือนานครั้งหลา ย, ลายชีวิตที่เกิดมาแต่ละภพแต่ลชาติใลักษณะที่จะลดละนิสัยนี่มันไม่ค่อยจะมีมีแต่จะเพิ่มภูนิสัยอย่างดีก็แต่ทำบุญตัด บ, บาทททำบุญให้ทานในกุศลช่วยสังคมต่างๆนั่นก็เป็นความดี ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีผู้มีคิตใจดีแต่มันก็ไม่สิ้นสุดการเกิดเนี่ยมันมีหลายแล้วสมัยนี้นะัศาสนากาลังเกลีอนไปด้วยคาว่าพระพุาทธเจ้ า, า, า, จ า, า, า ท, ทั้งนั้นแหละพระพุทธธรรมประสงค์ที่ไหนจะกันหนาคนตรงไหนตามบ้านตามมาตรงนี้บอกว่าของพระพุทธเจ้าเห็นไหมล่ะหาขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นแหละไม่ได้พาไปลงนรกแล้วไอ้ปากมันก็พาขึ้นสวรรค์แต่ไอ้การกระทำมนันลงนรก สวรรค์น่ยใครๆก็อยากไปยินใช่ไหมของดีนี่สวรรค์น่ะนรกก่ะใครไม่ไอยากไปยินแต่ไอการกระทำนีมันบอกไปแล้วมันจะไปนรกแน่ <ừ. S 1> เพราะไอแนวทางมันไม่ได้พาขึ้นสวรรค์น่ะ ม, มันพาลงนรกไปจิตใจก็ต่ําลงต่ําลงต่ำลงเป็นห <ừ. S 1> มอผีหมอสางหมอสัตว์หมอยันอะไรต่ออะไรกันดูสิไอคนงโง่โง่ที่สุด หลวงหาบอกว่าจะโง่ที่สุดนะที่เคยได้ยินว่าเขาบอกว่ า, ามีสันนักสงฆ์ทางประจินบุรีพระองค์นั้นแสดงตนว่าติดต่อกระองค์พระอินทร์ได้บอกเวลาเนี่ยพระอินทร์จะสร้างปราสาไทไัยทยนปราสาทพระอินทร์กำลังทุดโทรมชำรุดถ้าใครจะร่วมสร้าง บรรดาศพอินก็เอาเงินนี่ใส่บาทไว้เดี๋ยวตอนดึกๆพระอินจะมาเอาไปซื้อพรนะศัลยุคนมันก็เชื่อแล้วมันก็เอาเงินใส่บาทแล้วเงินมันก็หายไปตอนเช้าก็มีมีจําบาทนะเราจะเรียกว่างโง่ที่สุดได้ไหมเนี่ยแม้ขนาดพระอินนี่ยังต้องต้องมาซื้อพัสดกุก่อนเศ้าอ <c oughs> ินแล้วมันก็แหมคนเราเเจริงจริงๆมีศาสาสนาไว้ให้มีสติาาสกับไม่มีสติมันเตอร์จรจริง ใครเป็นต้นเหตุไอ้พระองค์นั้นน่ะนักบวชคนนั้นมันเป็นต้นเหตุสอนให้เขาผิดพาให้เขาหลงหลงมงายไอ้ตัวเองหลงไม่พอยังพอให้ผู้อื่นเขาหลงเข้าไปอีกดันไปโฆษณาว่าพระทรงประสาตตัวเองชั้นรุ่งรุ่งทรงเนี่ยข้ายาดโยมบริจาคไอ้มันอยากจะได้เงินเนี่ยไอ้ที่มันกล้าพูดออกมาเอาไอ้สิ่งต่าง ม, มาอ้างมันอยากจะได้เงินจากญาติโยมมันก็เลยอ้างเอาไอ้สิ่งที่สูงสูงดีด พระอินยังงั้นพระโรมยังงั้นนะหรือไม่ก็เอาเรียกว่าสูงสูงที่คนนัมองมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ไอาจจะไปเอาวัดเอาวาแล้วก็ไปมันไปดูได้วัดโนยังทะลุสุดโทมเลยเดี๋ยวมันเกิดไปดูวัดมันไม่เชื่อโ อ, อ้วัดนั้นเขาสมบูรณ์แท้ๆพระองนี้บอกว่าสุดโทมได้นะ่ะมันพิสูจน์กันได้มันก็เลยพูดในสิ่งที่คนเองเข้าไม่ถึงรู้ไม่ได้ไอ้นี้ไอ้คนที่เข้าไม่ถึงรู้ไม่ได้นี่มันก็เลยหลงเชื่อไปเลยเหมือนกับเราหลงเชื่อเขาไะ ในใ น, ในความที่ถือสิ่งต่างๆนะเขาว่าไหวาสา ร, ราพระภูมิเนี่ยรพระภูมิเนี่ยจะช่วยค้าขาให้นอนหลับนั่นก็โจมไอโจรมันไม่เข้าบานไปมันไม่ไหม้บานอะไรที่ไหนไหนได้น ะ, ะ พ, พระราพะเพลิงมาเนี่ยพระภูมิพรภูมิก็นอติอ่อวิถีงวดเห็นไหม <c oughs> ไอโจมก็ม้นวนป่าม้วนปลาแล้วกัดได้แล้วไอโจมขนาดไอโจรมันเข้ามาพระภูมิก็ต้องแผ่นเหดื อ, เอกเป็นเนะอ่ยพูดถึงพระภูมินี่จะเล่าให้ฟังอ่า มีกรมทางคนหนึ่งเนี่ยจตสันนันเนี่ยือล้านที่สุดในในอำเภอโคกสันงในจังหวัดลุกีเราเนี่ยนะสมัยที่กำลังจะสร้างถนนลาดยางที่เะาเรียกว่าถนนพระหนโยทินเนี่ยเขากำลังจะทำวิธีขยายอาณาเขตของทางนี้มันกว้างขึ้นดีกว่าทางถนนข้างนอกในดีสารพระคุมของจพหสนนันมันอยู่ตรงนั้น ใครก็ไปกล้าไปลืออะกลัวสะพอนานจะหักคอเอาตอนนี้มีไอ้คนบ้าคนบ อ, นบอไอค้นนคนครึ่งผีครึ่งคนอ่ะเขาเรียกว่าคนงานของไอ้ไอ้กรมทางอ่ะมันสีบ้าผีครึ่งอยู่แล้วมันไม่โก้มมันไม่เชื่อด้วยบอกกูเองใครไม่ทันเดี๋ยวกูเองนะดูดีว่ากูก็จะพอดีใครจะดีใครจะอยู่กันเอาละกูยอมตายนะกูตายมึงก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงละกูจะตายว่าจะพอ ขวาไม้ได้ถอดเสื้อถอเกงวิ่งเขา่าตียับเลยเกรี้ยงเลยสารละเอียดกระเด็นไปไม่ธธรู้ไปไหนกันไหนจะพอสนานไปเท่าคนตรงบอกโอ้โหกูหลกมันไม่ไหวเลยมันตี ก, กุเชือกตายเลยเนี <c ười> ่ยเห็นไหมไอ้คนที่สึกจำพอกไปอ้อนมันมึงไปถามไอ้กุหม่นะเนี่ยเห็นไหมล่ะไปเจอไอ้คนถึงพิกถึงขิงกับมันคนมันไม่ถือก็มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะไอ้เราก็ไปทำจิตอ่อนไปเชื่ออย่างนั้นเจได้ไปตั้งเึ็มเต็มเต็มจ่า ไปเลยเขาเรียกว่าผีเมื่อกาเลิบใหญ่ตอนนี้ผีที่ไหนแล้วกำเลิบเขาเรียกอุปาทานของอารมณ์มันมาปรุงแต่งจิตทําให้เกิดกลัวไม่ใช่ผีที่ไหนจี่เขาเรียกว่าจิตอ่อนนอนชัยก็จิตที่ไม่มีเหตุผลมันก็ชอนชัยได้สบายมันก็ปรุงแต่งจิตแล้วได้สบายเลยตรงนี้ตอนนี้จิตที่เมื่อมีเหตุมีผลมีความตั้งมั่นรู้นในสัจจะแนวทางเขาไม่เชื่อไม่อะไรมันก็ปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การศึกษาทาาําความเข้าใจนะ เราเป็นชาวที่เดียกว่าศึกษาธรรมแล้วควจะคิด ก, กว้างๆควจะคิดถึงภายนอกบ้างเล็ๆลกๆนักเขาเรียกว่าปะทิญญ์หน้า ก, กัปปิญนกะของความรู้ภายนอกก็ป้องกันจิตเราได้เหมือนกันเนี่ยนะแล้วเราก็จะได้เปแนะไปนําไปสั่งไปสอนเขาว่าลักษณะไอ้ความยึดถือยังไงมันเกี่ยวเนื่องกับกันตรงไหนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอันไล่ผีสางเทวดาคนไหนหรือไม่หรือมันเกี่ยวกับเรื่องกับอารมณ์อะไรอย่างนี้เราจะได้ไปจำแนกแจกจ่ายให้มันถูกต้องนักเสนอหรือ น, นะ อั่นลยกตัวอย่างไปฟัง่ไปเจอไอ้คนบ้าคนบิงต่อเห็นไหมจะพอจะเพอก็กระโดดไปลุกเป็เหนือไฟตายเจ้าพ่อที่ไหนแล้วก็ไอ้ความยึดถือจิตของคนเราอ่อนก็ไมปตั้งคือว่าจะพอสันนมสันนันเอาคุ้มานั่นึงชื่อว่าจะพ่อสันนันแล้วก็ใครๆก็ต้องรู้จักจักติดนักอะไรเงี้ยผงอายังเคยไปทดลองเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องจะพอจะแม่จะพิงเจ้าสามนั่น เอาละเขามีผีตายโหงไว้ที่นในถ้ำเลยนะเขาบอกเนี่ยผีตายโหงต า, ตายท้องลมด้วยมันดุจังเลยอ่านดุก็ยิงดีที่แล้วอยากจะรู้มันดุแค่ไหนอะ่ะเสือไม่เข้าใกจจะรู้หรือว่ามันเป็นยังไง ร, รู้แต่ว่าคําเขาพูดบรรดุไอ้ดอสระอุนี่มันอ่านบรรดุแต่อลักษณะของความดุมันเป็นยังไงก็อยากจะไปดูไอ้ตัวดุมันขึ้นเข้าไป แต่ก็บอกวระโยมมาแหมฉันเนี่ยก็ไม่อยจะรู้เรื่องรู้รานะไม่เคยจะเกลี่ยนกาสามารถดีดิฉิมเลดอะไรแต่ก็มาคอยกับกลาไม่ใชยก่าวเหมือนกันแหละไอ้เรื่องผียังสางอะไรนะแต่ในใจไม่เคยเดี๋ยวที่เต่าไปดูไอ้ตัวดุขันหน่อยเดี๋ยวขึ้นอาให้มืดๆสักหน่อยก็พอได้เวลาก็ไปเลยไปปักกดใส่โหงเข้าไว้ในถ้าปักกดเลือกร้อยควรหมนเสร็จแล้วก็อเคือไปดูว่าตอนเย็นน่ะ ตอนที่ขึ้นไปมันเป็นหน้าผามันเป็นถ้าชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยสายบันไดขึ้นไปแต่ว่าไอ้ไ อ, อ, อ้ความจะเรียกว่าอย่างไงดีไอ้ความเพียนหรือจะเราจะเรียกวความเี่ยนหรือความพยายามหรืออยากจะให้ทําให้มันสิ่งต่างมันมันหน้าโคลงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเอาไอ้ผีตายโหงไว้ยัดไว้ในหน้าผาเหล่านั้นโดยใส่โลงเข้าไป แล้วก็เอาไอ้ลูกอะไรที่เป็นคนจริงก็องชอบไปห้อยตแต่ตงๆแต่ตงๆกลมแล้วก็เรียนรู้อะไรก็ไม่รู้นะเออันดับไปห้อยเอาไว้ตอนตะวั น, นยังไม่จบลินเสือลิงอาก็ไปดูไปสำรวจดูมันอยู่ตรงไหนนะทีแรกเข้าไปก็ไม่เห็นเพราะมันมันมีหลายซอกหลายมุมมันมันก็มีที่มืดที่สว่างมองไปก็เห็นก็ไปเดินตำรวจโอ้ไปอยู่ในซอกนัมันมีที่มืดอาโลงไปใส่ก็ไปเคาะบอกว่า เราก็พูดไปตามภาษาโง่ๆไม่ไมเขาใช้อะไรเพราะต้องควเลยนะก็ไอ้ความอยากรู้อยากเห็นนะี่ยอยากทดลองทดสองอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเขาเขาบอกให้ชื่อว่าชื่อสีบอกสีถ้าเราดุจริงนะคืนนี้ไปเจอจะตีจีนเข่าอยรนะพูดไปอย่าพูดแบบ เ, เละเทะอะไรก็ได้นะแต่พูดไปภาษาโง่ๆไปท้ากับอนล้มแท้ๆผีเผอที่ไหนก็ไม่รู้ะตอนนั้นกําลังอยู่ในขั้นศึกษายอยู่ ไปเคาะลงเลยปักสีวันนี้คืนนี้เจอไปที่ปีนเขานะฉันนะปรักตรวจอยู่ที่ปีนเขาในะคืนนี้ไปหาหน่อยนะอาฉันจะคอยอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วก็เดินตรวจตารวจท่านรอสังเแต่เวลาว่าลงก็ไใดมาอาบอาบชาถึงเวลาตรวจหมวนมก็นั่งคอยผีนั่งตั้งสามทุ่มสีทุมก็ไม่เห็นวิสีที่ไหนมันจะโผล่มาหาเลยอะไรเนี่ยหรือลักษณะอะไรมันก็ไม่มีเลยเงียบ มีเสียงจรินดีเสียงอะไรต่ออะไรมัาลองหนูเหนือก็โจรกันหาทินกันในคืนอย่างเงี้ยเงียบสงัดแล้วก็นั่งคอยผีเสียเวลาการทรงเส้นด้วยสิจะนั่งสมาธิทรงอารมณ์ทรงตัวกระทําก็รมแต่ทรงไปนั่งคอยสีอยู่ตตยขขแต่ทั้งสามทุมสีทุ่มเอ๊ะไม่เคยทาอะไรสีเติมไม่เห็นมีมาอะไรไม่เห็นก๊อกแนักอะไรขึ้นไปเลยไอ้ตาก็เพ่งมองดูไอ้หน้าผามอะไรมันจะมาตั้งทีวะเหมือนก็เป็นนัดทบอะไรกันางเนี้ย ไอ้ความโง่ของเราจะไปนัดอะไรถิงที่ไม่มีตัวมีตนนะไม่เข้าใจในคำว่าไอพีนั่นเองจะแสดไอ้ควาโง่เข้าไปแต่นั้นเราก็ยอมรับว่าเราโง่แต่เราก็อยากจะรู้นะมาทบทวนทีหลังก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องของนำ ม, มาทำออตอนหลังนี่รู้จะเป็นเวลาประมาณสักเที่ยงคืนได้แล้วนะขณะที่สยญาติสมาธิไปกำลังทัมพิดเฉย เป็นองค์มัชิมาศึกษาสิ่งต่างๆที่จะเกิดเป็นนามธรรมภายในเลยก็ปรากฏเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งพุ่มเด็กมามันนั่งอยู่ที่อาณาเขตของบริเวณปักกิกงแล้วก็มีเสียงว่าลุงพ่อฉันมาแล้วแล้วถามว่าใครฉันชื่อสีอ นั่นไหนแล้วเพราะว่าเราดุนักหนาเป็นเสือเป็นช้างเป็นตะเกะอะไรทั้ำไมจะมาเป็นอย่างนี้ก็เลยพูดไปตามรักษาสนทนาอะไรเนี้ยเขาบอกว่าฉันนะ่าเป็นผู้มีกรรมนะเวลานี้ฉันยังยังไม่ได้ผุดได้เกิดเลยฉันยังเป็นออปาที่กระล่องลอยไปมาอยู่ยังหาที่เกิดไม่ได้มันยังมืดมนไปหมดไม่รู้จะไปทางที่ไหนก็เลยสาเหัสว่าเอาแล้วก็เลยมาจากเรื่องอะไรถ้าถามดูบอกว่าฉันน่าเป็นห่วงแม่แม่ฉันมีอยู่คนหนึ่งแก่แล้ว ก็ไม่มีใครจะเลี้ยงจะดูแบบในขณะจิตสงสานเนี่ยกำลัจะออกจากสังขารในจิตนั่นก็เป็นห่วงแม่แล้วก็มีเวทนาเกิดจากลูกในท้องอะไรอย่างนี้คนที่สุดก็เลยจิตนั่นก็ออกจากสังขารมาทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยจิตนั่นก็จะไปเหนือไปสร้างรากระบวน NT, เรียนที่เรียกว่าฟา้ามืดเพราะไอ้ความริษยาความห่วงแม่ดิบเนี่ยก็อยากจะมาขอ